31. mental factors of the t a ตจานะ n ละใน31 mental factors of the ฟอด j a n a by doing so you will understand the ultimate mentality. สำหรับเมื่อมุกแรกนี้เมื่อเสร็จจากกสินแล้วเพื่อที่จะต่อไปสู่เพื่อที่จะนำนไปสู่ความหลุดพ้นดังนั้นพูดปฏิบัติที่ ออกจากฌานที่1แล้วก็สามารถที่จะกําหนดดูเอ่อมาทามสิบสี่ที่ปรากฏในในมโนทวารเพราะว่าเขาสามารถกําหนดดูได้เพราะว่าเขาได้เขามีความเขาได้สามารถกําหนดดูองฌานห้าแล้วซึ่งองฌานห้านี่ก็เป็นเจตสิกเสร็จแล้วฌานที่2ก็สามารถเมื่อออกจากฌานที่2แล้วก็สามารถที่จะกําหนดดู นามธรรมสามองและชั้นที่สก็สามารถกาหนดดูนามธรรมสามสอแต่ว่าเป็นสุขเวทนาและชั้นที่สี่ก็สามารถกาหนดดูนามธรรมสาเ็แต่ว่าเปลี่ยนเป็นอ ha, ุเบกขาเวทนาค่ะในการที่ท่านจะสามารถเห็น ชานะนามาธมท่านจะต้องมีความสามารถเห็นอัปนาวิถีค่ะพระอาจารย์จะอธิบายในภายหลังค่ะไม่ใช่เวลานี้ค่ะ ที่พระอาจารย์ได้กําลังอธิบายอยู่นี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหรือเปล่าคะ beyond reasoning ไม่สามารถที่จะอธิบายเกินเกินกว่าความสามารถที่จะอธิบายได้ because of this reason Buddha said related to especially direct knowledge to understand directly for the attainment of direct knowledge it is not for thinker just by thinking nobody can understand พระพระมาศาสดาตรัสสอนพระธรรมเพื่อการประจักษ์เพื่อการเพื่อความเข้าใจโดยประจักษ์จากประสบการณ์ตรงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยการจินตนาการหรือการคิดเอาค่ะ At part of meditation center, those who cannot attain jhana concentration, when the Paul Siro was explaining about jhana concentration, they r e just listening. They don't understand. Only when they can really attain, at that time they are very happy. Oh, this is what I have done. In the same way, when we explain about How to practice rupa meditation? Those who c l n n o t practice, they are just listening. They don't understand. Only when they could really penetrate at that time, they are very happy. Oh, this is what I have done. That's why before realizing directly, it is difficult. The p a t a y a w e l n t h p t e a c h a i พระอัจฉรยสยาดาอูอจินะได้อธิบายเกี่ยวกับนามนามธรรมหรือนามปรมัทิตย์นะคะผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เคยได้บรรลุฌานเนี่ย mm. ก็จะได้แต่ฟังเฉยๆโดยที่ไม่ไม่าใจอะไรเลยต่เมื่อเขาได้สามารถบรรลุฌานแล้วเขาจึงเาจึงสามารถเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์ใหญ่ได้อธิบายเกี่ยวกับนามธรรมแลวเขาก็ แล้วเขาก็คิดว่าดีใจเขาเาก็ดีใจมากแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อนี่แหละเขาทำได้เขาได้ทำเสร็จแล้วแล้วในทํานองเดียวกันเมื่อพระอาจารย์ใหญ่ได้อธิบายเกี่ยวกับรูปปรมาติิผู้ปฏิบัติทรรที่ยังไม่สามารถที่จะได้ปฏิบัติรูปกรรมฐ า, านก็ได้แต่ฟังเฉยๆไม่โดยไม่เข้าใจอะไรเลยคะ่ะ จนกระทั่งเมื่อเขาสามารถที่จะสําเร็จการปฏิบัติรูปกรรมฐานแล้วเขาถึงจะมีความสุขมากแล้วเขาถึงจะบอกว่าอเนี่ยเขาได้ทําแล้วเขาทําได้แล้ว How do you think is it easy to hear such profound dhama in our life ท่าน แล้วท่านทั้งหลายคิดว่าอย่างไรคะพระธรรมที่ลึกซึ้งนั้นเพียงแค่การได้ยินได้ฟังนี่เพียงพอหรือเปล่าคะ easy hear just our life? ง่ายเป็นการง่ายไหมที่จะที่จะได้ยินเกี่ยวกับพระธรรมอันลึกซึ้งในชีวิตชีวิตนี้อะค่ะ ง่ายไหมที่ท่านจะได้จะได้ฟังเรื่องลึกซึ้งเหล่านี้ในชีวิตนะคะพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระนานางของพระบรมศาสดา expressed her opinion to the Buddha ได้แสดงความเห็นของท่านต่อพระบรมศาสดาได้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมอันลึกซึ้ง ที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนนั้นเป็นเป็นบุคคลที่มีบุญมากๆเลยค่ะค o ณต้องการที่จะได้ยินบทกลอนที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีแล้วพวกท่านในขณะนี้พวกท่านอยากจะได้ยินพระคาถาที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กล่าวเป็นภาษาบาลีกับพระบรมศาสดาไหมคะ เมตุราณีบัตานีโดดกานีหิตานีสามหิตีวาจานีตุยัญทิเตปิเดญญาเนรุตมะเนรุตมะลูโรคาลูโรเทมยาโตุตาโรเปียเยจินดูโรดีเมตุราณีชูมีตายาชูสิสาคุณโต อาานี้ายดอกตู้รยสินานลงกจินูเชื่อเพื่อนนานงทัดดอกตอกหนีปลเป็รมาเล็กงเว้นเชื่งทัดดอีตาหีสาปีสูบบัตรมาลน้ตันดอกก้าจูันได้รกุลิสืทุนสินานงทัดดอกตตรยอ ว่าจะนี่สกัดดันแต่ยัดดันด้วยกูต้องยัดที่จากกูน่ากูอยากใช้จากลูกยี่ที่ทุกทารกเป็นสิ่งสกัดดันแต่ยัดดันด้วยกูฉันกูน่ากูอยากใช้จากกูโน้ตุรุมาดลย บาซาร์ดิโก้ดามีมาบาซาร์ดิโก้อามบาซาร์ดิโก้ดามีกาบากาวันตันบุนโดจิโรมุโอตาร์มิอาสับเปกโอซาจิโนโดอาพีปูโซโดอาพีสินโดบูจังอุนโชทาชาลีโดติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่ชายของผมเล่นเลย <laughs> ท่านท่านจำได้ไหมครับอัดมาคิดว่าจำได้เนี่ยผมต้องสวดอีกไหมครับ <laughs> พรุ่งนี้จะเขียนให้ <laughs> ความหมายลิกซิ่งก็เลยยากเพื่อจะอธิบายเดี๋ยวนี้ แต่จริงๆแล้วความหมยก็อยู่ที่คนที่บุคคลที่ได้โอกาสบุคคลที่ได้โอกาสพูดบุคคลที่ได้โอกาสฟังมีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาเป็นบุคคลที่มีบุญมากมีบุญยิ่งใหญ่ จริงๆแล้วเพื่อจะได้ยินอายดา น, นะธาตุขันสัจจะนิวนอินสีอันอนี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่สามารถได้ยินแต่ว่าคำอธิบายอย่างลิกสิ่งเป็นสิ่งที่ได้ยากก็เลย อาจจะมีความลำบากในเวลาฟังที่จะเข้าใจแต่ว่าด้วยความสนใจด้วยสติที่ดีเราควรใส่ใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจะสร้างเพื่อจะสร้างสมบารมีเพื่อจะได้บรรลุพระนิพพานพอได้ม is ิ t <laughs>